ครันรู้อย่างนี้แล้วเขาจึงไม่ประพฤติในทางแห่งความชิบหายแห่งพวกคสมบัติหประการชันตุชนย่อมทําความตัดสินใจด้วยตันหาแม้ด้วยประการชนี้เนี่ยนะที่เราหมดเงินหมดทองก็เพราะเที่ยวนะเพราะเล่นการพนันเป็นต้นนะอย่าเที่ยวเลยแต่เที่ยวก็หมดเงินหมดทองปเปล่าๆเนี่ยนะอันนี้เราคิดด้วยตันหาแหละอีกอย่างหนึ่งบุคคลย่อมประกอบการงานด้วยกสิกรรมบ้างกสิกรรมก็คือกเกษตรอ่ะนะ พาณิชกรรมก็คือค้าขายโครักกรรมก็เลี้ยงโคเจ้าของฟาร์มทั้งหลายเนี่ยนะหรือด้วยธนูศิล์หรือด้วยการรับราชการหรือด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งชันตุชนย่อมทําความตัดสินใจด้วยตันหาแม้ด้วยประการอย่างนี้อาชีพไหนบ้างอ่ะไม่มีตันหาเป็นสมุทฐานใช่ไหมเว้นแต่ว่าสายนักบวชนะนักบวชก็แบ่งเป็นทิฏฐิเป็นต้นนะก็แล้วแต่ว่ากุศลเรื่อกุศลแต่ว่าเป็นทางโลกอ่ะนะ ทำด้วยตัณหาเป็นสมุทฐานทุกอย่างที่ขยับตัวโดยมากเกิดจากตัณหาทั้งหมดเลยชันตุชนย่อมตัดสินใจด้วยทิฐิอย่างไรคือเมื่อจักสู่เกิดขึ้นแล้วจากชันตุชนก็รู้ว่าตนของเราเนี่ยเกิดขึ้นแล้วถือจักสู่เป็นอัตตานะว่าเออเนี่ยอัตตาของเราเกิดเมื่อจักสู่หายไปก็รู้ว่าอัตตาของเราหายไปแล้วตนของเราปราศจากไปแล้ว ชันตุชนย่อมทําความตัดสินใจแม้ด้วยประการอย่างนี้ถือตาว่าเป็นอัตตาใช่ไหมถ้าตาบอดไปก็อัตตาของเราหมดไปหูจมูกลิ้นกายใจก็เหมือนกันรูปเสียงกลิ่นรสโพธะก็เหมือนกันว่ า, าตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโพธะคืออายตนาเหล่านี้นี่นะเมื่อเกิดขึ้นชันตุชนคือสัตว์ก็เลยคิดว่าตนของเราเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเมื่อ อายตนะเหล่านี้แตกทําลายไปก็เรียกว่าตนเนี่ยของเราหายไปแล้วตนของเราปราศจากไปแล้วชันตุชนย่อมทําความตัดสินใจด้วยทิฏฐิคือให้เกิดให้เกิดพร้อมให้บังเกิดเฉพาะแม้ด้วยประการอย่างนี้คือคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอัตตาใช่ไหมเป็นตนเป็นตัวเราเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราเนี่ยเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดก็ถือว่าอัตตาเกิดถ้าสิ่งเหล่านี้แตกทําลายก็ถือว่า อัตตาเนี่ยแตกทำลายันสรุปว่านนบันดิตทั้งหลายกล่าวทมใดคือความดีใจความเสียใจในโลกฉันทะย่อมมีมาเพราะอาศัยความดีใจความเสียใจเหล่านัน้นนั้นเวทนาเนี่ยเป็นปัจจัยจึงมีตันหาว่า ง, งั้นนี่ยก็ฉันตุชนเห็นความไม่มีในรูปเนี่ยนะเห็นความมีความไม่มีในรูปก็ทำการตัดสินใจเนี่ยนะ ก็ที่ตัดสินใจทุกอย่างก็เพราะเรื่องอารูปนั่นแหละเป็นเป็นเกณฑ์ใช่ไหมถ้าอยากไอ้คําว่ารูปนียสีเสียงกลิ่นรสโรพธาภะนี่เท่ากับแสดงมาหมดแล้ ว, วนั้นอย่างในในการมาพบเนี่ยมีอะไรมั่งทําอะไรมั่งที่ไม่อาศัยรูปไม่เกี่ยวกับรูปมีไหมไม่มีเนี่ยนะแม้การเดินทางก็อาศัยรูปยืนเดินนั่งนอนก็อาศัยรูปการกินการดื่มการเที่ยวการทําทุกอย่างก็เป็นเกี่ยวข้องกับรูปทั้งหมดเลยอ่ะ เพราะฉะนั้นธรรมะแม้เหล่านี้คือความโกรธความเป็นผู้พูดเท็จความสงสัยเนี่ยเมื่อความดีใจและความเสียใจทั้งสองมีอยู่ก็มีมาบุคคลผู้มีความสงสัยพึงศึกษาทางแห่งยานและธรรมะเหล่าใดอันพระสมณะทราบแล้วตรัสไว้ธรรมะเหล่านั้นเมื่อความดีใจและความเสียใจทั้งสองมีอยู่ก็มีมาเนี่ยนะเป็นนี้แหละว่าความโกรธก็เกิดจากเวทนาเกิดจากความดีใจเสียใจ มุสาวาหรือความสงสัยก็เกิดจากความดีใจความเสียใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเกิดความสงสัยก็ศึกษาทางแห่งยานใช่ไหมเพื่อกําจัดความสงสัยเนี่ยนะถ้าสงสัยก็ควรศึกษาเพื่อกําจัดความสงสัยที่เรียกว่าความโกรธเนี่ยนะความโกรธความสงสัยความโกรธ ก็ย่อมเกิดเพราะวัตถุที่น่าปรารถนาบ้างอาศัยวัตถุที่ไม่น่าปรารถนาบ้างความคําพูดที่กล่าวเท็จเนี่ยนะคำพูดเท็จย่อมเกิดเพราะอาศัยวัตถุที่น่าปรารถนาบ้างอาศัยวัตถุที่ไม่น่าปรารถนาบ้างความสงสัยก็เกิดโดยอาศัยวัตถุที่น่าปรารถนาบ้างวัตถุที่ไม่น่าปรารถนาบ้างเพราะฉะนั้นอารมณ์ทั้งหลายนี่แหละทําให้เกิดความโกรธทําให้เกิดความพูดเท็จทําให้เกิดความสงสัยนเี่ เช่นว่าบ้านหนึ่งหลังเนี่ยนะบ้านเราเนี่ยทำให้เกิดความโกรธได้ไหมได้ทําให้เกิดการพูดเท็จได้ไหมได้ทําให้เกิดความสงสัยได้ไหมได้ร่างกายของเราเนี่ยทำให้เกิดความโกรธได้ไหมก็ได้ทําให้เกิดความสงสัยได้ไหมได้อา ศ, าศาัยร่างกายเนี่ยทำให้พูดเท็จได้ไหมได้เพราะฉะนั้นไอไอวัตถุทั้งหลายที่น่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาเนี่ยทำให้เกิดความโกรธอะไรมั่งที่เราไม่เข้าไปโกรธเลยมีไหม ที่รับรู้เนี่ยนะมีอะไรบ้างที่ไม่เข้าไปพูดเท็จกับสิ่งเหล่านั้นเลยนะถ้าไม่ได้ศึกษาคําสอนนะนะบางทีก็พูดเท็จเพื่อจะขาเป็นต้นเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราไม่สงสัยบ้างเอาไม่เป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้ไอารมณ์ทั้งมวลเหล่านี้นะทั้งที่น่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาก็ทําให้เกิดความโกรธความเป็นผู้พูดเท็จและความสงสัย อันที่จริงแล้วคนทั้งหลายที่พูดเท็จเนี่ยก็พูดเท็จเพราะสิ่งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนานั่นแหละที่บอกว่าความโกรธย่อมเกิดเพราะอาศัยวัตถุที่ไม่น่าปรารถนาเนี่ยเป็นอย่างไรก็คือความว่าความโกรธย่อมเกิดด้วยอาการว่าเขาได้ประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราความโกรธย่อมเกิดด้วยอาการว่าเขากําลังประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา ความโกรธย่อมเกิดด้วยอาการว um, enfin ่าเขาจักประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราเนี่ยก็เรื่องของเราอ่ะนะเขาเนี่ยเคยทําลายประโยชน์ของเรากําลังทําลายประโยชน์ของเราจักทาลายประโยชน์ของเราหรือว่าความโกรธย่อมเกิดด้วยอาการว่าเขาได้ประพฤติสิ่งไม่เป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเราความโกรธย่อมเกิดขึ้นด้วยอาการว่าเขากําลังประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา ความกโกรธย่อมเกิดขึ้นด้วยอาการว่าเขาจากประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่บุคคลเป็นที่ชอบใจของเราเนี่ยนะอืมคือเขาเนี่ยได้เคยทำลายสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เรารักกำลังทำลายประโยชน์แก่ผู้ที่เรารักจักทำลายประโยชน์แก่ผู้ที่เรารักหรือว่าเขาเนี่ยประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เราชัง กำลังประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เราชังหรือจักทำประโยชน์แก่ผู้ที่เราชังหรือบางทีก็โกรธ น, นะโกรธโดยอาการที่ไม่เหมาะสมแต่ทีนี้กล่าวถึงว่าความโกรธเนี่ยอาศัยวัตถุที่ไม่น่าปรารถนาเนี่ยเป็นอย่างนี้ น, นะส่วนความโกรธย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยวัตถุที่น่าปรารถนาของดีก็ทาให้โกรธเนี่ยได้ไหมได้ ก็คือแม้บุคคลผู้หวาดระแวงในการแย่งชิงวัตถุที่น่าปรารถนาย่อมมีความโกรธเกิดคือเมื่อวัตถุที่น่าปรารถนากำลังถูกแย่งชิงเอาไปย่อมมีความโกรธขึ้นบ้างเมื่อวัตถุที่น่าปรารถนาถูกแย่งชิงไปแล้วก็เกิดความโกรธบ้างเพราะฉะนั้นแม้บุคคลผู้มีความหวาดระแวงในความแปรปรวนแห่งวัตถุที่น่าปรารถนาก็ย่อม เกิดความโกรธขึ้นบ้างเมื่อวัตถุที่น่าปรารถนาแปรปรวนไปแล้วย่อมเกิดความโกรธขึ้นบ้างความโกรธย่อมเกิดเพราะอาศัยวัตถุที่น่าปรารถนาอย่างนี้ถามว่าถ้าเรามีความของดีๆอยู่นะถามว่าเราจะโทสะหรือเราจะโสมนัตสมมติถ้าคนคนบนโชวเนี่ยไปจอดรถทิ้งไว้ข้างถนนเนี่ยแล้วนั่งอยู่ในที่อีกที่หนึ่งเลยนะจะโสมนัตหรือโทมนัตโทมนัตเสร็จนะนเห็นไหม กลัวรถถูกเฉี่ยวกลัวรถถูกชนกลัวอะไรทั้งหลายเลยเนี่ยนะเพราะันถ้าไอ้ทุกข์เพราะการดูแลนั่นแหละถ้ามีของดีมันก็ทุกข์เพราะอันเนี่ยนะถามว่าคนมีเงินอยู่ในกระเป๋าเป็นล้านเนี่ยนะอยู่กลางถนนเนี่ยจะดีใจหรือจะเสียใจดีใจหรือเสียใจอ่ะกลัวเขาแย่งนะสมมติถ้าเออเนี่ยใส่ทองเต็มตัวไปหมดแล้วเที่ยวในตลาดเนี่ยนะจะดีจะยิ้มแป้หรือว่าจะเครียดเลยอะ่ะ เครียดใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นไอ้ของดีๆสมมุติว่ามีเพชรเก็บไว้ที่บ้านเนี่ยนะใหญ่เท่ามะพร้าวเงี้ยนะจะนั่งนอนยิ้มอย่างเดียวใช่ไหมฉันเนี่ยมีบุญมากะนะดูแลพวกนี้นะไม่เป็นอย่างนั้นหรอกนะเดี๋ยวพวกจะมาแย่งเอานะก็เครียดซะส่วนใหญ่กานวัตถุที่หน้าปรารถนาเนี่ยจะเดือดร้อนเพราะปกปักรักษาเนี่นะเดือดร้อนเพราะการรักษาถามว่าถ้าเรามีลูกสุดที่รักอยู่คนหนึ่งแล้วมันไปเที่ยวไม่ยอมกลับบ้านสัทีหนึ่งเลยนะจะยิ้มหรือจ ะ, จะทุกข์อ่ะ ก็ทุกขนะ์นั้นของที่น่าปรารถนาก็ทําให้เกิดความทุกข์ได้เนี่ยนะหรือว่าของที่น่าปรารถนานะสิ่งอันเป็นที่รักเนี่ยเช่นเรารักลูกมากแล้วลูกกาลังป่วยสุดๆเลยถามอาเราจะยิ้มออกไหมลนะ่ะยิ้มไม่ออกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความโกรธก็เกิดเพราะอาศัยวัตถุที่น่าปรารถนาเนี่ยนะใครว่าชอบสิ่งใดบ้างอะที่ไม่ก่อให้เกิดทุกข์มีไหมอ่า น, นะไม่มีหรอกเนี่ยนะ มุสาวาตย่อมเกิดเพราะอาศัยวัตถุที่น่าปรารถนาเนี่ยเป็นอย่างไรก็คือบุคคลบางคนในโลกนี้ถูกจองจําด้วยเครื่องจองจําคือคือก็กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่เพื่อให้พ้นจากเครื่องจองจํานั้นนะวัตถุที่ไม่น่าปรารถนาทําให้มุสาวาตใช่ไหมเช่นตัวเองเนี่ยถูกเชือกมัดถูกโซ่ตรวนถูกหวายจองจําคือหวายจองจําคือถ่าวานันจองจําคือเครื่องล้อมจองจําคือบ้านนิคมนครเมื่อถูกเขา จองจำด้วยชนบทก็ย่อมกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่เพื่อให้พ้นเครื่องจองจํานั้นมุสาวาตเกิดเพราะสายวัตถุที่ไม่น่าปรารถนาอย่างนี้เนี่ยนะก็มุสาวาตก็หลอกนะเช่นตัวเองได้รับปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ ง, งไหมมุสาวาตเพื่อให้พ้นตัญหาเหล่านั้น น, นเนี่ยนะมุสาวาตย่อมเกิดเพราะวัตถุที่น่าปรารถนาอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่เพราะเหตุแห่งรูปที่น่าชอบใจกล่าวเท็จ เพราะเหตุแห่งรูปเสียงกลิ่นรสโพธาภาที่น่าชอบใจเพราะเหตุแห่งจีวรบินธบาศเสนาสนะขีลานะปัจจัยเภสัชบริขารที่น่าชอบใจเพราะมูสาวาทย่อมเกิดเพราะวัตถุที่น่าปรารถนาอย่างนี้นะเช่นะช <S <S ไปสแสวงหาเงินเนี่ยทายังไงอย่างเง ไ, งได้เงินเอาพูดจริงๆเลยนะพูดทุกอย่างเป็นคําสัตย์คําจริงทั้งหมดเลยนะ <S <S ทุกอาชีพทําได้ไหมไม่ได้เนี่ยนะก็นี่แหละว่าแสวงหาสิ่งที่น่าปรารถนาใช่ไหม ก็ยังนึกขำโยมสมนึกทุกวันนี่เลยก็บอกว่าอาจารย์บางคนเนี่ยนะมันต้องหลอกมันจึงจะเชื่อถ้าไม่หลอกนะไปพูดจริงไม่เชื่อหรอกคำว่า ง, งั้ น, <c oughs> น, นสแสดงว่าจริงอะ่ะนั่นน่ะมันก็มูสาวาจจึงจะได้รูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆใช่ไหมมันอ่มูสาวาจ น, นั่นแหละนี่นน่ะมันไม่เอาด้วยไหมก็หลายๆคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นแหละนั่นนะ มุสาวาดหลอกเป็นลูกมหาเศรษฐีกันทั้งนั้นน่ะนะมหาเศรษฐีมียศร่ำรวยกันทั้งนั้นน่ะนะวดกันให้คนเขาชอบอะ่ะอันมุสาวาดเนี่ยเป็นเหตุแห่งเอ่อเพราะอาศัยสิ่งที่น่าปรานาในแหละ คำว่าความสงสัยย่อมเกิดเพราะวัตถุที่ไม่น่าปรารถนาเนี่ยเป็นอย่างไรความว่าความสงสัยย่อมเกิดเพราะอาศัยสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาว่าเราจักพ้นโรคจากในตาหรือหนอหรือว่าเราจักไม่พ้นโรคจากตาเราจักพ้นโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคศีรษะโรคหูโรคปากโรคฟันหรือหนอหรือว่าจะไม่หายสงสัยใช่ไหมป่วยขึ้นครั้งนี้จะหายหรือไม่หายเนอเนี่ยนะก็เกิดทําเกิดสงสัยใช่ไหมจะรบจะหายได้ไม่หายดี หายหรือหจะเป็นหรือจะตายเนี่ยครั้งเนี่ยนะพูดง่ายๆนะครั้งเนี้ยจะเป็นหรือจะตายนาะเนี่ยแหะ <Okay. S 1> ก็เรียกว่าทําให้เกิดความสงสัยใช่ไหม mm hmm. ความสงสัยย่อมเกิดเพราะอาศัยวัตถุที่น่าปรารถนาว่าเราจะได้รูปที่น่าพอใจหรือเนอหรือจะไม่ได้รูปที่น่าพอใจเราจะได้เสียงกลิ่นรสโพธพภะสกุลคณะอาวาตลาบยศสันเสริญสุขชีวรบินธบาทเสนาสนะหรือว่าเรา จะได้สิ่งเหล่านั้นหรือเนอะหรือว่าจะไม่ได้เราจะได้ของที่น่าพอใจหรือไม่ได้เนอะอย่างงี้เรียกว่าความสงสัยเพราะวัตถุที่น่าปรารถนาเนี่ยเนาะผมพูดง่ายๆว่าเราจะร่ารวยหรือเปล่าเนอะหรือว่าจะไม่ร่าไม่รวยอย่างเง้นหรือเราจะได้ฌานหรือไม่ได้เนอะเียนีก็สงสัยนะลักษณะนี้เรียกว่าอาศัยวัตถุที่น่าปรารถนาก็สงสัยขึ้นแม้ความแม้ธรรมะเหล่านี้นะคือทั้ง ธรรมะเราที่กล่าวไปก็คือความโกรธมุสาวาตความสงสัยเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะความดีใจเพราะความเสียใจนั่นแหละเพราะความดีใจเสียใจมีอยู่เนี่ยนะคือเมื่อสุขทุกโสมนัตโทมณตวัตถุที่น่าปรารถนาวัตถุที่ไม่น่าปรารถนาความยินดีความยินร้ายมีอยู่คือปรากฏเข้าไปอยู่เมื่อนั้นธรรมะเหล่านั้นคือความโกรธการมุสาวาตหรือว่า วัตถุเอ่อความสงสัยก็มีคำว่าบุคคลที่มีความสงสัยพึงศึกษาทางแห่งยานนะใครที่สงสัยก็ควรศึกษาทางแห่งยานนะเพื่อให้พ้นความสงสัยใช่ไหมแม้ยานก็ชื่อว่าทางแห่งยานแม้อารมณ์แห่งยานก็ชื่อว่าทำเอ่อทางแห่งยานแม้ทำทั้งหลายอันเกิดร่วมกับยานก็ชื่อว่าทางแห่งยานเปรียบเหมือนอริยมรรคก็ชื่อว่าทางแห่งอริยะเทวมรรคก็ชื่อว่า ทางแห่งเทวดาพรมมัมักก็ชื่อว่าทางแห่งพรมฉันใดแม้ยานก็ชื่อว่าทางแห่งยานปัญญาใช่ไหมเชื่อว่าเป็นแนวทางแห่งปัญญาเหมือนคุณมุญชูเนี่ยชมปัญญาของพระพุทธเจ้ามากๆเพื่อจะได้มีปัญญาเนี่ยนะมันกระว่าปัญญาก็ชื่อว่าเป็นทางแห่งปัญญา